มงคลชีวิตมงคลที่หกการตั้งตนไว้ชอบอัตสามาปนิธิจจะเอตามังคลมุตตมังจิตหรืออัตภาพนี้ เรียกว่าอัตตะการตั้งความปรารถนาของตนไว้โดยชอบชื่อว่าสัมมาปณิธิรวมความว่าการตั้งจิตหรือตั้งตนไว้ในกุศลธรรมโดยชอบชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิลักษณะการตั้งตนไว้โดยชอบ การตั้งตนอยู่ในความมีศรัทธาศีลการสละบริจาคความละอายบาปและความเพียรพยายามชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบสำหรับผู้สอนทรงแนะว่าบัณฑิตพงตึงตั้งตนไว้ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อนแล้วจึงสอนคนอื่นจักได้ไม่มัวหมองในภายหลังหรือสอนอย่างไรก็พึงทำอย่างนั้น ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นในแง่การทำประโยชน์ทรงแนะว่าไม่ควรให้ประโยชน์ของตนต้องเสียไปเพราะประโยชน์แก่คนหมู่มากเพราะเมื่อตนประพฤติอยู่ในกุศลแล้วคนอื่นๆก็ได้ประโยชน์ไปด้วยทรงตาหนิผู้ที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบเช่น ไม่เพียนแสวงหาทรัพย์ในวัยหนุ่มสาวว่าคนโงเ่เขลาไม่ประพฤติตนให้เป็นคนดีไม่หาทรัพย์ไว้ในวัยหนุ่มสาวจึงต้องซบซาวตอนแก่เหมือนนกกระเรียนแก่ซบซาวอยู่ในเปลือกตมที่ไรปลาฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบเป็นธรรมะประจำตัวบัณฑิต สมดังที่ตรัสไว้ว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะตนหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุไม่พึงปราถนาบุตรทรัพเว้นแคว้นหรือความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่ชอบธรรมพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและยึดมั่นอยู่ในธรรมการตั้งตนไว้ชอบจัดเป็นมงคลเพราะ หนึ่งจากเจริญด้วยพ่อขรศัพท์ยศและสุขสองเป็นผู้ไม่เดือดร้อนจากบาปทุจริตทั้งหลายสามจากเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางคือ น, นิพพานโดยเร็วพลัน